ปีพุทธศักราช2490พรรษ 90, าที่สท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนาแจน้อยตำบลบ้านแจ้งอำเภอ น, นาแจจังหวัดนครพนมหลวงปู่ศีเล่าประวัติให้สานุรสิทธิ์ฟังต่อไปอีกว่าเราได้เข้าใจหลักธรรมปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาขมูแล้วจึงลาครูบาอาจารย์จากเสนาสนะป่าแสนสํำราญมุ่งหวังทดสอบขันติธรรมไม่เหยียบย่าอยู่กับที่ออกปฏิบัติเพียงลําพัง เหมือนพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ท่านผ่านพ้นทุกข์สองเท้าจึงก้าวเดินย่างผ่านป่าผ่านเขาท้องถ้ำอดบ้างอินบ้างรอนแรมซอกซอนผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาภูผานวนเวียนท่องเที่ยวอยู่เขตจังหวัดสกลนครนครพนมในรัศมีธรรมของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อเจอพระกรรมฐานทิศท่านพระจารย์มั่นมักจะถามและสนทนาธรรมอยู่เสมอ และสิ่งที่ไม่ลืมได้นั้นก็คือถามเรื่องท่านพระจารย์มั่นพระแต่ละรูปแต่ละองค์ที่เล่าถึงท่านพระจารย์มั่นล้วนต้องยกมือสาธุการใส่หัวใส่กระหม่อมด้วยความเทิดทูลบูชาสาธุถึงความเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยสาธุเลื่อมใสในวัตถปฏิบัติสาธุถึงความเด็ดเดี่ยวสาธุถึงความเป็นผู้มักน้อยสันโดษสาธุถึงความเก่งกาจเรื่องรู้วาราจิตผู้อื่น สาธุถึงความเป็นพระแท้สาธุถ้าใครไม่แน่จริงไม่ดีจริงไปอยู่กับท่านไม่ได้หรอกและสาธุเราพูดเรื่องท่านอยู่ตรงนี้ท่านก็สามารถรู้ได้เมื่อพระที่เล่าพูดอย่างนั้นใจเราก็วิววิวขนลุกสู้สู้ขึ้นมาเหมือนกันอาจารย์ท่านผู้ทรงคุณธรรมอันล้าลึกเราจึงเป็นเหมือนนกกาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นนั้นท่านเปรียบเหมือนนกเหยี่ยวการ้องกากาก า, กาก ร้องจะได้นานสักเท่าไหร่ไม่นานเ ย, ยวก็บินร่อนโฉบเอาตัวเอาตับเอาปอดเอาไส้เอาผงกาไปกินเรียบร้อยเราเพียงได้ยินจิตสัจจคติคุณของท่านเท่านั้นก็อดวันไหววันเกรงในบา ร, รมีธรรมของท่านมีได้ต่อจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปอยังท่าพระเวทอำเภอนาแจจังหวัดนครพนมก็เพราะสาเหตุว่าถ้าเราจะไปเฝ้ากราบนรัการและไปประพฤติปฏิบัติกับท่าน เราต้องประพฤติปฏิบัติทดสอบกับตัวเราเสียก่อนว่าเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเป็นการฝึกสติจึงเร่งกันอย่างยิ่งยวดและดัหน่วงในการออกปฏิบัติเพียงผู้เดียวในคราวนั้นเป็นไปแบบหัวล้านเกินครูสถานที่แห่งนี้มีพระกรรมฐานมาปลีกวิเวกเสมอเช่นสามเณรมุนนาคเจ้าคุณอริยคุณาทานเสงษ์ปุตโสพระจารันรุ่ยเจนะสาโรและมีหลายรูป ที่มีคุณธรรมและวัตถปฏิบัติไม่เพียงพอเกิดเป็นบ้าวิกลจริตสัญญาวิปลาสชาวบ้านได้นําพระเนนที่ขึ้นมาอยู่แล้วเป็นบ้าไปให้ท่านพระอาจารย์มั่นช่วยแจ้จริตให้หลายรูปแล้วถ้าใครตั้ง อ, อกตั้งใจดีก็จะได้ประโยชน์เทวดาเขาช่วยแต่ว่านอนปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้เราไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเอามันอยู่อย่างนั้นสอนตอนเองเสมอว่าถ้าจะมามัวเมาเห็นความสุขในการนอนความสุขในการกินนั้น เราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่กับความเพียรภาวนามีสติมีความกล้าหาญเด็ดเดียวมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะไปเชื่อแต่ใ จ, จตนเองที่ยังมีเกลเล็มันก็แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้เห็นอัตเห็นธรรมละคราวนี้เราต้องเชื่อธรรมวินัยเท่านั้นเราอยู่คนเดียวถ้าสูงๆยาวๆประมาณห้าเส้นมีบันไดสิบสองขั้นทางกว้างเพียงหนึ่งเมตรอยู่ริมฝั่งเหว เอาไม้ไผ่กั้นไว้เวลานอนก็นอนบนแคร่ไม้ไผ่บริเวณป่ารอบๆมีเสือตัวใหญ่มาวนเวียนอยู่นอกจากเสือแล้วในเวลาค่ําคืนยังมีบ่างตัวใหญ่ๆบินดังพึบพับพึบพับคลืนๆไปมาในเวลาค่ําคืนประมาณหกทุ่มระหว่างหัวเขาประมาณสิบเส้นส่วนเราอยู่ในหกเขาตรงกลางเราจะยืนเดินนั่งนอนทําสมาธิท่าไหนก็ตามเสียงสัตว์ป่ายจะวนเวียนไปมา ในเวลาเช้าออกไปบินธาบาติเดินมินธาบาติก็เหมือนเดินจงกรมทางตามป่าพอที่จะรอดตัวมุดมอดไปได้หมูป่าก็มากเสือก็มากไปกลับประมาณสิบกิโลเมตรเราอยู่ที่นั่นเพียงลางําพังอาศัยสัตว์มีเสือเป็นต้นเป็นเพื่อนทุกเกิดแจกเจ็บตายในขณะที่นั่งภายในถ้าจิตเกิดแสงสว่างสว่างจนนึกว่าแสงพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นในเวลาค่ําคืนสว่างจ้าทั้งทั้งที่เป็นเดือนดับ เรานั่งตั้งแต่สีพุ่มถึงตีหนึ่งก็นึกเอะใจว่าทำไมถึงสว่งางทั้งทั้งที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแจ้งสว่างไปหมดถึงขนาดที่ว่าเดินจงกรมไม่ต้องมีไฟส่องนี่มันเป็นเองเกิดขึ้นเองถ้าไม่เกิดแสงสว่างอย่างนี้จิตเราก็ไม่ตื่นแสงสว่างนี้ไม่รู้มาได้อย่างไรของเหล่านี้เป็นของแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งเราเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นสักครั้งเรื่องของจิตของใจจึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าหากเรานำมาใช้ได้จะพบประโยชน์ใหญ่หลวงถ้าหากเราทำ จ, จิตใจไม่ให้อยู่ในอำนาจของกิเลสซักฟอกกิเลสออกไปได้โอ้ยสบายเป็นที่สุดเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นพิจารณาถึงผู้คนก็ไม่เหมือนผู้คนเกิดความสลดสังเวชสงสารตัวเองบางทีสงสารตัวเองจนกระทั่งน้ำตาร่วงร้องไห้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากตัวเราเองความมหัปจจานเหล่านี้ถ้าเราไม่เห็นเองจะไม่มีวันเชื่อ เหมือนกับเสือถ้าพูดถึงเสือก็ไม่มีใครกลัวแต่เมื่อเจอตัวเสือเข้าจังๆจึงวิ่งป่าราบวิ่งหนีชนต้นไม้แทบเป็นแทบตายถ้าพูดถึงเสือเฉยๆก็เป็นเพียงชื่อไม่มีใครกลัวต่อเมื่อเจอตัวเสือเมื่อไหร่เสือมีแต่จะวิ่งเข้ากัดผู้คนนี้เป็นเหมือนกันเราได้ยินเพียงชื่อเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาได้อย่างไรมันก็เกิดมาจากเหตุที่เราทํานั่นแหละแต่เราไม่รู้จักเรื่องแห่งเหตุและเหตุแห่งเรื่องนั้น เราไปอยู่เดือนเศษดปฏิบัติเองแบบหัวล้านเกินครูมุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อมาผลนิพพานอย่างเดียวเกิดล้มป่วยและอาการก็หนักปางตายด้วยไข้ามาลาเรียเมื่อมันขึ้นแต่ละทีตัวหนาวสั่นอย่างแรงชันยาอะไรก็ไม่หายจึงใช้สมาธิรักษาปรากฏได้ผลคือพอจิตสงบเป็นสมาธิแน่วแน่อาการของโรคก็ไม่มีมันสู้สมาธิไม่ได้แต่มันไม่ยอมถอยเราสู้กับมันอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหนึ่งปี11เดือน พวกชาวบ้านแถวนั้นเขาตกใจกลัวว่าจะได้หามศพเราลงจากถ้ำบนภูเขาเหมือนที่เคยหามศพพระรูปอื่นๆมาแล้วอาการของโรคชนิดนี้มันร้ายแรงมากในบางวันไปบินทบาทมาแล้วฉันไม่ได้เราจึงใช้สมาธิสู้กับโรคอยู่อย่างนั้นชาวบ้านนิมนต์ลงจากถ้ำเขากลัวว่าเราจะตายและเป็นภาระให้เขาเราจึงลงจากถ้ำไปหลายวันเมื่อย้อนกลับขึ้นมาจึงได้ทราบข่าวว่า พวกชาวบ้านใจบาบยิงเสือตัวที่มันเฝ้าหน้าถ้ำตายพวกชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟังว่าเสือใหญ่โดนยิงครั้งแรกยังไม่ล้มครั้งที่สองมันจึงล้มพอมันล้มลงก็มีเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วบริเวณพรานพวกนั้นเขาก็ใช้อุบายแจ้คือร้องไห้ตามเสียงนั้นไปนานพอสมควรเสียงร้องนั้นจึงหยุดพวกเขาจึงเข้าไปนาร่างเสืออ อ, อกมาได้ภายหลังพวกเขา จึงนำน้ำมันของเสือตัวนั้นมาถวายเราขวดใหญ่เราก็ได้เต่ปรุงธรรมะสังเวทเท่านั้นหลวงปู่ศีท่านเล่าเรื่องสามเณรบุญนาคเที่ยวกรรมฐ า, านที่ท่ามพระเวทต่อไปอีกว่าสามเณรบุญนาคท่านเคยมาภาวนาที่ท่ามพระเวทนี้เวลาท่านไปไปแบบเราไปกับท่านไม่ได้เพระท่านเด็ดเดี่ยวธรรมะกล้าหารผู้ใดขอไปกับท่านท่านไม่ห้ามแต่จะไปด้วยได้ไหมเท่า น, นั้นแหละ ต่างคนต้องอาศัยตัวเองนะอย่าไปพึ่งคนอื่นท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครปลูกก็ไม่ปลุกด้วยนะเดินทั้งวันไปถึงที่พักก็ไปบนหลังเขาโน่นพอรู้สึกตัวขึ้นตอนไหนแต่งของได้แล้วไปเลยไม่ปลูกใครใครไม่ลูกก็แล้วแต่เอาถึงขนาดนั้นนะท่านฝึกหั ด, ดจิตใจครั้งหนึ่งสามเณรบุญนาคและเพื่อนไปนอนอยู่บนหลังเขาพอดีเสือตัวหนึ่งมานั่งเฝ้าอยู่เพื่อนอีกคนยังนอนยังนอนเฉยอยู่ สามนเนรบุญน้าแต่งของเรียบร้อยก็เดินไปเสือนั่งเฝ้าอยู่ไม่ปลุกกันเลยเดินหนีเที่ยวกรรมฐ า, านต่อไปเฉยเลยต้องพึ่งตนเองไม่ทราบว่าเสือกินแล้วหรืออย่างไรเที่ยวหากันก็ไม่เห็นไม่เจอท่านเอาขนาดนั้นนะพระท่านปฏิบัติจริงปฏิบัติจังสลัดโลกจริงๆบางครั้งก็ขึ้นไปอยู่บนขอนไม้มองหาทางขอนไม้ไม่ใช่ขอนไม้แต่มันเป็นงูตัวใหญ่นะขนาดเท่าขอนต้นยางก็มีนะงูตัวใหญ่ๆ งูยาวเป็นเส้นสองเส้นสามเส้นส่านชอบไปตอนกลางคืนไปแบบไม่มีทางจะไปทางไหนไปเลยเชื่อธรรมะเป็นหลักเชื่อใจเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าสมาธิท่านกล้านะช้างเถืออะไรไม่มีทางกลัวเลยงูเงี้ยวเคี้ยวขอเสือช้างไม่ได้เกี่ยวเลยตั้งสติดีๆแล้วไปได้ไอเรื่องของใจนี้สําคัญยิ่งที่ถ้ำพระเวศหากผู้ใดภูมิจิตภูมิธรรมไม่ถึงหรือถ้าคนไม่ดีพวกเขารู้หมด ถ้าใครทําไม่ดีแล้วยุ่งเลยผู้ที่ได้ประโยชน์จากการมาปฏิบัติก็มากผู้ที่เกิดวิบัติจากการปฏิบัติผิดก็มีไม่น้อยเราเกิดป่วยเป็นไข้มาลาเรียอย่างหนักจนชาวบ้านเขานิมนต์ลงมาอยู่ทางวัดบ้านนาแจ่น้อยในขณะนั้นหลวงพ่อผงขึ้นไปอยู่แทนหลวงพ่อผงได้แปดพันสาไปอยู่คืนแรกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ไม่หยุดพอตกตอนกลางคืนมีคําพูดขึ้นมาว่า ผงผงผงหนีอย่ามาอยู่ที่นี่เสียงดังมาแต่ไกลขนลูกสู้สู้ขึ้นทันทีเลยอยู่ในป่าในเขาห่างจากหมู่บ้านประมาณห้ากิโลเมตรใครจะไปรู้จักชื่อท่านท่านก็ไม่ยอมหนีเร่งภาวนาทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวันทั้งคืนทําภาวนาอยู่อย่างนั้นคืนที่สองเรียกมาอีกเรียกเสียงใกล้เข้ามาเสียงดังกว่าเดิมอีกว่าผงผงหนีอย่ามาอยู่นี่มันเคียงที่ไปที่มาคือหมายความว่า ฝังที่ไปที่มาของเขาเอ๊ะใครว่าหลวงพ่อผงขนลุกสู้ขึ้นแรงกว่าเดิมอีกคืนที่สองท่านก็ไม่ยอมหนีดันทุรังอยู่นั่นแหละเขามาเตือนสตินะท่านก็เร่งทําสมาธิภาวนาพอคืนที่สามมาอีกคร้านี้เข้ามาถึงตัวเลยห้องหนีอย่าอยู่นี่เขาว่างั้นพยายามกุมหักคอเสียงอึกอกักอึกอกัอ ก, อกสู้กันยกใหญ่ พอรุ่งสางขึ้นมาเจ็บกรดเจ็บบาดวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงลงเขาไปเลยหลังจากนั้นท่านพระจารย์คำดีทางจังหวัดยะโสธรขึ้นไปอีกพปอยู่ได้หกวันเจ็ดวันเท่านั้นแหละชาวบ้านไม่เห็นมาบินธบาขึ้นไปดูเป็นไข้สลบไปเลยได้หามท่านลงมาชาวบ้านถิ่นแถานั้นเมื่อเห็นพระธุโดงมาที่ถ้าก็จะคอยดูว่าจะไปอยู่ได้สักกี่วันพระมาอยู่ที่นี่ไม่เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งชาวบ้านเล่า ว, ว่า ได้ขึ้นไปหาพระที่นอนสลบสไลด์ลงมาเป่าน้าให้ฟื้นกันอยู่เรื่อยๆสมัยเราไปอยู่ที่นั่นมีพระทางขอนจจนนี่แหละไปอยู่ท่านเอาแม่ชีแม่ขาวไปด้วยไปหาภาวนาพอตอนตะวันบ่ายคล้อยไปแล้วพากันอาบน้ำอาบท่าท่ามันยาวๆยาวประมาณสี่ห้าเส้นไปอยู่ตามหน้าผาพอข้ามาเท่านั้นแหละภูเขามันงึบงับงึบงับเหมือนมันจะล้มลงมาทับคนอยู่ไม่ได้เตลิดเปิดเปลืองนี้ไปในตอนกลางคืน พวกเกียตนาไม่ดีเขาดูใจก็เห็นเลยพอใกล้ฤดูเข้าพรรษามีพระกลับคืนมาอยู่อีกเจถึง8ดองค์กลับคืนมาจะจำพรรษาเดือนนั้นเหลือสองตาย 5, ห้าเนี้ยจริงๆภูมิเจ้าที่เขาอยากให้เป็นคนดีถ้าเราทำดีเขาก็รู้และเขาก็เขารบบูชาเราไปเป็นสัญญาผิดอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่ห้าถึงหทุ่มเดือนมืดๆเขาลูกนั้นก็ลอยปุบเข้ามาอยู่ใกล้ๆ ก้าวขาวไปก็ถึงเอ๊ะภูเขายัางไงถึงจะไหลร่นเข้ามาหากันได้เดินพิจารณาสังเจตดูมันผิดปกติไม่ใช่หน้ามันเป็นสัญญามาเตือนพิจารณาทดสอบดูก่อนหน้าพิจารณาดูร่างกายของตัวเองกำหนดดูตามหัวตามผมตามฟันดูผิดปกติไปหมดอ้าวสัญญาไม่ถูกแล้วพิจารณาดูฟันมันก็เท่าจบไม่ได้ใหญ่ปานนั้นหนานึกในใจสอนตัวเองถ้าเป็นของธรรมดา มันก็ไม่ใหญ่ถึงป่านนั้นพิจารณาดูแขนมันก็เท่าลำตาลมันไม่ได้ใหญ่ป่านนั้นมันผิดปกติก็เลยไม่เชื่อมันพิจารณาดูภูเขามันวิ่งเข้าหากันถ้าหากเดินลงไปนั้นบันไดสิบสองขั้นมีแต่หินทัดตกลงไปตายเท่านั้นแหละสัญญาเชื่อมันไม่ได้พิจารณาดูความสว่างสวยโร่มาเลยเหมือนกับแสงตะวันมันจะสว่างอะไรอย่างนั้นเดอนมันข้างแรมเชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อมาก เพราะว่าความสว่างมันเกิดขึ้นจากจิตใจของเจ้าของแล้วแต่มันจะทำไปละพิจารณาดูภูเขาเดี๋ยวภูเขาก็จะลั่นหึบพับหึ่พับจะพังลงมาทับกันตายถึงจะต้องตายก็ตามแต่ก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่จิตนี้มันร้อยอันพันอย่างที่มันแสดงออกมาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่าสัญญาวิปลาสสัญญาไม่เที่ยงใจเรานี่แหละไม่เที่ยงมันทาให้คนหลงไม่มีสติอยู่ไม่ได้แหละ จะดึงเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้พระรูปหนึ่งก็เกิดสัญญาวิปลาชพอจิตลงทึ้เท่านั้นแหละทุกจะล้มจะตายพิจรารณาดูตัวเองน้ำตาไหลมองเห็นคนกำลังไถ่ไร่ไถานาก็วิ่งไปดึงแขนเขาออกมาจากคราด จ, จากไถนี่ความสุขอยู่ที่นี่จะพาไปดูเป็นบ้าถึงขนาดนั้นนะก็มีเป็นพระนะเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะเป็นเวลามันเป็นมันเป็นมาแล้วมันหากเป็นนะถ้าสติไม่พอ ยังมีพระอีกรูปหนึ่งเป็นบ้ากิจมันพลิกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลงบ้าเลยคนเราแก่อย่างไรก็ไม่หายชาวบ้านพาไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหน้องผือนาไนจังบัดสกลนครท่านแนะให้นิดเดียวเท่านั้นแหละหายขาดทันทีเลยมันไม่มีค่าอะไรเลยนะคนเรานี่ผู้ไม่ได้ฝึกขัดอบรม จ, จิตใจร่อยมันไปมันก็ไปทั่วเรื่องของสติกับข้อวัดปฏิบัตินี่มันเป็นของสำคัญ เอาแค่นี้แหละให้มันได้กําหนดมันเวลายามไหนเวลาไหนต้องมาให้ได้การฝึกสติให้มีความระมัดระวังกลัวแต่มันจะผิดจะพลาดอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติตัวเองฝึกให้จิตใจเอาการเอางานให้จิตใจละเอียดถี่ท้วนตัวนี้แหละจะยังคนให้เป็นคนถ้าตัวนี้ไม่มีจะเพ้อเรอเป็นโรคประสาทเป็นบ้าไปก็มากมายแต่คนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ทํายาก มันจะยากอะไรยากตรงที่เราฝืนมันสักหน่อยทำให้จนชำนิชำนาญจนเคยชินเป็นนิสัยฝืนบ้างตั้งแต่เริ่มแรกนี่แหละเดี๋ยวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ว่ายุ่งว่ายากเดือดร้อนตามแต่จิตใจจะหลอกไปเพราะเราเคยทำตามเขามาพอแล้วก็ต้องฝืนดูบ้างถ้าทำไปตามแบบเขาก็อยู่อย่างนั้นอยู่จีกับจีกันก็เป็นเหมือนเก่านั่นแหละไม่ปรับปรุงแก้ไข ไม่ว่าแต่การงานภายนอกหรือในตัวของคนเราทุกวันนี้มันก็อยู่ได้ด้วยการปรับปรุงแก้ไขเหมือนอย่างเขาพัฒนาบ้านเมืองการพัฒนามันก็ต้องแก้ต้องไขอันไหนพอเอาออกอันไหนพอเอาไวอะไรพอปรับปรุงใหม่ก็ต้องแก้ไขลักษณะปรับปรุงจิตใจก็เหมือนกันอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาก็แล้วกันแม้จะไปกอดขาพระพุทธเจ้าอยู่ก็ใช้ไม่ได้ จับใช้จีวรอยู่ก็ใช้ไม่ได้ท่านก็ว่าอยู่ไกลเหมือนเดิมนั่นแหละใจมันไปอยู่คนลัทวีบโนนต้องให้จิตใจเลื่อมใสเชื่อในหลักเหตุหลักผลเชื่อในผลของกรรมเมื่อทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริงๆเจ้าของนี่แหละเป็นคนได้เรื่องของพระพุทธศาสนาท่านฝึกหัดเอาใจดวงเดียวนี่แหละพระธรรมแปดหมืสีพันพระธรรมขันพระสูตรพระวินยัยพระประมัติศสอนเอาจิตเอาใจดวงเดียวนี่แหละ ให้มันรู้จักว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนควรละควรลดอันไหนควรบำเพ็ญสอนใจอันเดียวนี่แหละต่อจากขั้นนี้ขึ้นไปแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งขั้นนี้ได้แจ่นิมิตคือสมาธิถ้าหากเป็นสมาธิอีกหน่อยหนึ่งขั้นนี้ทำให้เราเพลินลุ่มหลงได้สบายไปเลยติดอยู่ในความสุขบ้างติดอยู่ในปีติธรรมบ้างเพลินไป ตามนิมิตต่างๆคล้ายกับเราฉายหนังให้ดูแต่แล้วก็เป็นเรื่องของตนทั้งเพถ้าหากเราไปตามนิมิตต่างๆเหล่านั้นก็เรียกว่าห่างเหินจากสมาธิเรื่องนิมิตต่างๆเป็นเรื่องของสังขารที่ปรับปรุงออกจากจิตใจแต่ว่าสติตามจิตไม่ทันมันก็ยกเรื่องให้เราออกไปข้างนอกแต่แล้วก็ไม่ใช่อย่างอื่นความจริงก็เป็นเรื่องของจิตของใจของเรามันปรุงแต่งออกไปทั้งนั้นในตัวสังขารก็นึกว่าเป็นเรื่องอย่างอื่นบางที ก็เห็นเป็นตัวผีหลอกเห็นเป็นเสือเป็นสัตว์ร้ายต่างๆนึกว่ามันมาจากทางอื่นแท้จริงแล้วมันออกมาจากใจของเรานี่เองสิ่งเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งได้กระทำบำเพ็ญมาแต่ชาติต่างก่อนถ้าใครมีจิตใจโหดเที้ยมและเคยทำร้ายทำบาปทำกรรมมามากๆมันก็มีในมิตแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นมีแต่จะฆ่าจะแจงกันทั้งนั้นตลอดเวลาถ้าหากใครได้สร้างกรรมชั่วมาน้อย และได้ประพฤติปฏิบัติมาบ้างในการก่อนย่อมเกิดนิมิต่นิ่มนวลอันนี้พูดถึงนิมิตเรื่องนิมิตก็เคยได้พูดให้ฟังมาแล้วเคยประสบมามากต่อมากในระยะหกปีนี้ดูเหมือนจะมีนิมิตเกือบทุกวันถ้าจะนำมาพูดให้ฟังในเวลาปีหนึ่งจะหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบรู้จักเรื่องว่ามันเป็นเรื่องของสังขารมันปรากฏออกจากจิตมันส่งไปข้างนอกมันลวงให้เราหลงอยู่นั่นแหละ บางรูปติดอยู่ตั้งสิบเอ็ดปีก็มีติดในเรื่องนิมิตต่างๆไปเที่ยวพ ม, มโลกเทวบโลกลงไปจะถึงอบายโลกไปจนถึงพระนิพพานก็ไปใครเป็นใครรู้เห็นหมดคราวที่เราไปอยู่ถ้ำพระเวทไม่นอนมันทั้งวันทั้งคืนพักให้บ้างในตอนกลางวันเอาท่อนไม้ไผ่หนุนแทนหมอนหัวตกหมอนเมื่อไหร่จะลุกขึ้นทันทีสู้อยู่อย่างนั้นสู้ไปสู้มามันหากชนะได้ เราได้ปฏิบัติธรรมที่ทำพระเวทจนเวลานานพอสมควรฤดูการเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วจึงลงจากถ้ำไปจําพรรษาอยู่ที่วัดบ้านนาแจน้อยอําเภอนาแจจังหวัดนครพนมโดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดน้องห่างเป็นหัวหน้าคณะจนกระทั่งออกพรรษาจึางได้จาริกไปในเขตจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดอุดรธานีเพื่อเดินตามรอยทางธรรมของท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโต Thank you.